วันนี้ก็เป็นวันที่ทําบุญพร้อมกันหลายอย่างเลยนะคือฟังพระเวสสันดรชาดกนี่นะที่สมัยใหม่นิยมเรียกว่ามหาชาติมหาชาตินั้นแปลว่าชาติที่ใหญ่นะที่ใหญ่นี่หมายถึงเรื่องยา ว, วางั้นแต่ในบรรดาชาดกห้าร้อยสเรื่องแต่ก็เรียกปุรณะคือพูดให้เต็มจําง่ายว่า5้ายห้าสิบเรื่องแต่จริงๆแล้วมี5้าสี่เจเรื่องนั่น ทีนี้ในมหาชาติพระเวสสันดร น, นั้นเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายของของปัตติปิดกนนในบรรดาชาดก547เรื่องพระเวสสันดร น, นั้นเป็นชาดกที่มีความสําคัญซึ่งชาวไทยเราให้ความเคารพนับถือมากเพราะว่ากล่าวถึงบารมีที่พระผู้มีพระภาคสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้บําเพ็ญ น, นะ ก็คือบำเพ็ญทานบารมีซึ่งที่ชาวไทยชอบฟังก็เป็นเหตุให้ชาวไทยนั้นเป็นประเทศที่ชอบให้ทานเนี่ยนะก็ยินดีในการให้เนี่ยมากเพราะว่าอิทธิพลมาจากพระเวสสันดรชาดกด้วยเนี่ยนะนี่พระเวสสันดรชาดกนั้นถ <c oughs> ือว่าเป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะการบำเพ็ญกุศลที่ว่าแม้แต่การให้ทานก็สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเพื่อความ ค้นทุกได้เนี่ยนะคือไม่จําต้องว่าไปเจริญวิปัสสนาซะก่อนแล้วค่อยตั้งความปรารถนาไม่ใช่ก็คือแม้กระทั่งการให้ทานเนี่ยเท่าที่มีอยู่ให้ข้าวตอกดอกไม้ของหอมประทีปโภมไฟข้าวน้ําผ้ายวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมเนี่ยนะให้ผ้าเป็นตน้นการให้เหล่านี้สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเพื่อความตรัสรู้ธรรมได้แม้กระทั่งพ ร, พ, พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ ถ้ากล่าวตามอปิทานท่านบอกว่าท่านได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถวายผ้านะก็คือถวายผ้าเก่าผืนหนึ่งแก่พระพิสูรรูปหนึ่งและตั้งความปรารถนากุศลอันนั้นเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ทำกุศลแค่นั้นแล้วบรรลนะนะุแต่แต่กล่าวว่าการให้ผ้าและตั้งความปรารถนาอันนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญมากนีนะนะ อย่าลืมนะว่าสําหรับบางคนนั้นเขาไม่มีของที่ประณีต ม, มากนักที่จะทํากุศลอาจจะหาดอกไม้ได้ดอกเดียวหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งดอกเดียวเนี่ยนะแต่ว่ากุศลเจตนานั้นมันยิ่งใหญ่มากฉะนั้นเวลาทํากุศลก็อาศัยวัตถุที่เล็กน้อยแต่ตั้งเจตนาที่ไม่มีประมาณเนี่ยนะตั้งเจตนาที่ไม่มีประมาณที่ใช้คําว่าไม่มีประมาณก็คือเพื่อเพื่อตรัสรู้โลกุตระธรรมที่ไม่มีประมาณ นี่ในพระเวสสันดรชาดกนั้นเป็นท่าที่หนักไปทางทานท่านตั้งใจในเรื่องการบำเพ็ญทานเนี่ยมากว่าท่านจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวเหืนะคือคือจะขอเป็นผู้ให้จริงๆแล้วในด้านบารมีอื่นๆเนี่ยท่านท่านทำเต็มแล้วก็ก็ไม่ผิดจะใช่ว่าทำเต็มแล้วก็ไม่ผิดนะศีลเนคขมมะปัญญาวิรยิยะคันติสาจาัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแต่ว่า การให้ทานเนี่ยถือเหมือนกับคว่ำหม้อใบสุดท้ายเนี่ยนะที่ที่ในการให้เนี่ยนะเพราะว่าพร ะ, พระเวสสันดรชาดกนั้นนับว่าเป็นพระชาติที่บําเพ็ญบารมีเป็นชาติสุดท้ายก็ไม่ผิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านจุติจากพระเวสสันดรเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะห้าร้อยกว่าล้านปีเนี่ยนะก็หมดอายุจากดุสิตก็มาเป็นเจ้าชายศีรษะเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนับว่าเป็น การให้ทานชาติสุดท้ายก็ได้ในการบำเพ็ญบารมีชาตสุดท้ายก็ได้นอกจากชาติที่ตรัสรู้นะชาตินั้นเรียกว่าชาติสุดท้ายทีนี้พระเวสสันดร น, นั้นโดยอัทยาศัยของท่านในเกิดมาชาตเนียท่านท่านสมท า, านในการให้จริ ง, รงๆเนี่ยนะเกิดมาเพื่อจะให้สมาทานที่จะให้แม้กระทั่งแม่แม่ของพระเวสสันดรเ น, นี่ยก็อยากได้ลูกที่ให้ให้ทานเนี่ยนะ สมัยที่ในโทษสภอกันใช่ไหมการแรกขอให้มีลูกชายที่เป็นผู้ยินดีในการให้ยินดีในการแจกจ่ายแสดงว่าแม่กับลูกอัธยาศัยตรงกันเนี่ยนะแม่ก็อยากได้ลูกแบบนั้นลูกที่ให้ไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะอันพระเวสสันดรเนี่ยพอท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดาวประดึงเนี่ยนะมาเกิดในคันของมารดาพออยู่ในคันเนี่ยแม่ก็แพ้ท้องใช่หมแพ้ท้องนี้แม่ทั่วๆไปนี้ต้องการอะไร นะก็ต้องการกินผลไม้รากไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะต้องการจะดูจะเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แม่พระเวสสันดร น, นั้นแพ้คันแล้วก็อยากให้ทานเนี่ยนะก็ด้วยอัธยาศัยของลูกชายที่อยู่ในคันก็เลยบอกว่าแพ้คันแพ้คันก็คือแมอยากจะให้ทานเลือเกินอยากจะให้พระราชาเนี่ยตั้งโรงทานสักหแห่งเนี่ยนะหกแห่งก็คือประตูเมืองสี่ประตู ท่ามกลางเมืองแล้วก็หน้าวังหน้าวังก็คือหน้าบ้านนั่นแหละแต่บ้านใหญ่ๆเ้าเรียกวังก็เลยจักตั้งโรงทานสัก6กแห่งเนี่ยนะก็เล่าเรื่องนี้ให้พระราชาฟังก็เรียกพรามมาทายนิมิตบอกว่าโอ้ลูกของพระองค์นี้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการให้ทานจริงๆเนี่ยนะก็เลยยินดีในการให้ทานก็เลยตั้งโรงทานตามเจตนารมณ์เนี่ยนะทีนี้ความที่ท่านเป็นนักบุญเนี่ยนะ ผู้ที่มีบุญมาเกิดนั้นพ่อแม่จะมีความสุขเมื่อมีลูกคนนี้เนี่ยนะทำมาหากินจะสะดวกสบายหมดอะ่ะถ้าถ้าลูกคนมีบุญมาเกิดนะแต่ถ้าลูกบุญไม่มากนักอะไรเกิดรู้ไหมเนี่ยนะพ่อแม่มีอยู่แล้วมันจะชิบหายวายวอหมดกังหมดนะถ้าลูกไม่ค่อยอลูกไม่ค่อยมีบุญมาเกิดนะเศรษฐกิจดีๆเนี่ยลูกมาเกิดพับเนี่ยเสียหายหมดจะเริ่มล้มละลายไปเรื่อยอย่างไงเพราะฉะนั้นถามว่าลูกนี้มีผลต่อการทํามาหากินของพ่อแม่ไหม บมีผลเป็นอย่างยิ่งเนนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่อนข้างมากด้วยฝ่ายพ่อของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระเจ้าสัรชัยเนี่ยกลับเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องบรรณาการมากกระสัิย์กี่เมืองกี่เมืองนี่ส่งเครื่องบรรณาการมาถวายหมดกลายเป็นประเทศบ้านเมืองที่ฝนดีข้าวกล้าดีนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยได้ให้ทานอย่างสบายใจนนะให้ทานอพอท่านคลอดออกมาเนี่ยนะ เด็กคนอื่นๆเนี่ยนะพอคลอดออกมาแล้วทําไงร้องเลยไหมนั่นนะโดยมากคลอดมาแล้วก็ร้องแต่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยพอท่านคลอดออกมาแล้วก็แบมือขอแม่นะแม่มีทรับไหมจะให้ทานหน่อยแม่ก็บอกเออลูกเกิดมาถูกตระกูลแล้วตระกูลเรามั่งมีมากเพราะฉะนั้นลูกให้ทานตามสบายเถอะก็เลยให้พันหนึ่งเลยว่าไงเอาลูกให้ทานเลยนะลูกก็เริ่มให้ทานพอคลอดมาแล้วให้ทานเลยพระโพธิสัตว์นั้นเกิดมาแล้วพูดได้มีสามชาติ เนี่ยนะสามชาติด้วยกันคือชาติที่หนึ่งก็คือชาติที่เป็นหมหสถเนี่ยนะมหาอุมมังคะเนี่ยนะ um แปลว่าผู้มีปัญญามากอุมมังฆะแปลว่าปัญญามหาแปลว่าใหญ่คนมีปัญญาใหญ่ปัญญามากเกิดมาก็อันนั้นถือยามาด้วยนะครับทีนี้พอชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็ให้ทานเนี่ยนะเกิดมาลืมตาแล้วก็ขอสตังค์แม่ให้ทาน พอชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธะก็พูดเหมือนกันเนี่ยนะอโคหมัสมิเชโตเ e โตโลกัสเนี่ยนะที่บอกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปนี้พบใหม่ไม่มีแล้วเท่ากับพยากรว่าการเกิดในคันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะท่านก็เจริญเติบโตได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจาก พ่อแม่เนี่ยนะเพราะมีลูกคนเดียวนะพ่อแม่ก็รักมากยิ่งตระกูลที่มีฐานะด้วยมีลูกคนเดียวด้วยยิ่งรักมากเท่านั้นนะลูกนี mm. ้ไอความที่อัธยาสัยให้ทานเนี่ยนะพอโตมาหน่อยลูกควรจะมีเครื่องประดับแบบเท่าไหร่เนี่ยกษัตริย์ทั้งหลายก็จะแต่งเครื่องประดับให้ให้ให้ลูกนะอายุเท่านี้ควรจะมีเครื่องประดับแบบนี้อายุเท่านี้ควรมีเครื่องประดับเท่านั้น พอท่านได้เครื่องประดับมาใส่ใส่เสร็จนะพอถอดนะยื่นให้ใครถือว่าให้คนนั้นไปเลยเนี่ยนะไม่มีการรับคืนให้แล้วให้เลยเนี่ยนะไม่เอาคืนแบบนั้นเถอะเพราะฉะนั้นอายุเป็นเด็กๆเกฉยๆเนี่ยไอ้เครื่องประดับที่พ่อทําให้9้าครั้งเนี่ยนะคือคือเครื่องประดับแต่ละชิ้นนี่ก็ไม่ได้ทำสองวันอะไรเนี่ยนะราคามูลค่าเป็นแสนแสนสมัยนั้นด้วยนะถึงสมัยนี้ก็ไม่ได้น้อยอะไรนะเป็นแสนเสร็จแล้วก็พอถอดก็ให้ทานเลย พ่อนี้ก็ดีเหลือเกินเหมือนกันนะเออลูกเราให้ก็ถือเป็นอันให้อ่ะพ่อกระใจถึงเหมือนกันนะถ้าลูกเราให้แล้วก็ถือเป็นอันให้เป็นเด็กๆนี่ให้ทานอยู่เก้าครั้งเฉพาะเครื่องประดับที่เขาทำให้เนี่ยนะครั้งละหนึ่งแสนก็เก้าแสนทีนี้พออายุแปดขวบเนี่ยนะพออายุแปดขวบท่านนั่งอยู่ในห้องนนอยอยู่ที่เงียบๆเบนี่ยนะคิดเลยว่าเอการให้ทานเฉพาะภายนอกนี้ ไม่ยังใจของเราให้เอิบอิ่มยินดีเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาขอดวงตานะเราจะควักตาให้ผู้ใดมาขอหัวใจเราจะพา อ, อกให้ผู้ใดมาขอเนื้อเราจะเชื้อเฉื่นเนื้อให้ใครมาขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าหากว่าใครอยากจะขอเราไปเป็นทาสเราก็จะขอไปเป็นทาสรับใช้เขาเพราะฉะนั้นใครจะขออะไรเราจะให้ทั้งหมดจะให้ชีวิตเนี่ยนะ อ่ะที่จริงแล้วถ้าศึกษาให้ดีเนี่ยจะรู้ว่าการให้แต่ละอย่างนี่มีผลทั้งนั้นเลยเช่นยกตัวอย่างว่าให้ดวงตาเป็นทานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพุทธจักรสุขถ้าไม่ให้ดวงตาเป็นทานหนะ้าตานเนี่ยเป็นทานจริงๆอ่ะพุทธจักสุขเกิดไม่ได้เนี่ยนะจักสุข ค, คือความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ให้มือเป็นทานเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์คนอื่นได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการให้ก็เป็นนิมิตของ เพื่ออะไรพระโพธิสัตว์เนี่ยให้เพื่อให้เท่านั้นเองอย่างชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ให้วัตถุทั้งหลายเพื่อให้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดแก่แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะให้ให้คุณธรรมต่างๆคือศรัทธาศีลสุตตะจาระพัญญาจนถึงโสดาปติมัสกาธาคามิมักอนาค า, ามิมักอรหัตตมักแก่สัพพะสัตว์ทั้งหลาย นั้นตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เดินทางเพื่อการให้เนี่ยนะก็จะไปให้ทานหที่ตรงนี้ให้ณที่ต่างๆเนี่ยนะนั้นพระผู้มีพระภาคนั้นสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่นะจะจาริกทุกปีเนี่ยนะเพื่อเพื่ออะไราจาริกเหล่านั้นการจาริกก็เพื่อให้ดวงตาแก่สรรพษษัพพะสั์ทั้งหลายด้วยการให้โสดาปฏิมักเป็นต้นแก่สัรพะสั์นั่นเองเนี่ยนะผลท่าไม่มีอัธยาศัยที่จะให้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มานะ ถึงเป็นพระอรหันมาก็ไม่น้อมเพื่อที่จะให้ใช่ไหมคนอื่นนี้ก็มีความรู้อะ่ะแต่ทาไมเขาไม่เที่ยวสอนมีกรุณาเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผู้อื่นเขาไม่ได้สั่งสมอัธยาสายเพื่อจะให้แบบพระองค์นั้นพออายุแปดขวบนี้ท่านก็ยินดีในการให้มากพอพอสมาทานที่จะให้แบบนั้นเนี่ยแผ่นดินก็ไหวถือว่าแผ่นดินไหวครั้งที่ที่หนึ่งนะ ท่านก็เจริญเติบโตเนี่ยนะด้วยอัธยาศาัยความเป็นผู้ยินดีให้ทานอายุ16ปีพ่อแม่ก็จับให้มีคู่ครองเนี่ยนะก็ให้แต่งงานกับพนางมัสซีเนี่ยนะพนางมัสซีนี่คือใครก็คือลูกของพี่ชายของพนางพุสดีนั่นเองเนี่ยนะคือคือในมัธรัฐเนี่ยนะมีมีพระราชาเมืองนี้ก็มี พระราชโอรสที่ดาหลายองค์ะน ะ, ะพระนางผุ้สิ่ก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้าสรรชัยพระนางพู้สิ่ก็มีพี่ชายพี่ชายก็มีลูกสาวทีนี้ก็ให้ลูกของพระนางพุสดีคือพระเวสสันดรเนี่ยแต่งงานกับลูกพี่ชายเนี่ยนะที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ชาตินั้นชาติเดียวนะชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธะก็เหมือนกัน ผนางพิมพานี่คือใครก็คือลูกของพี่ชายของผนางสิริมหามายานั่นเองเนี่ยนะพระเจ้าพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยเป็นพี่ของผนางสิริมหามายาเนี่ยนะก็มีลูกสาวชื่อว่าผนางพิมพาเจ้าชายศิทษฐะก็แต่งงานกับลูกผู้พี่นั่นเองเนี่ยนะก็แบบนี้ทั้งสองชาตินะชาที่เป็นพระเวสสันดรก็เหมือนกันชาติที่เป็นเจ้าชายศิทษฐะก็เหมือนกันนะนะก็แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องลักษณะเรือล่มในน้องอะไรอย่างนี้ <c oughs> พออายุ16ปีนี่นะพอแต่งงานเสร็จท่านให้ครองราชเลยนะให้ครองราชบริหารแผ่นดินทั้งหมดเลยพอบริหารแผ่นดินเนี่ยนะอโรงทานที่ท่านตั้งเอาไว้ก็ถือว่าตั้งเป็นหลักเลยก็เลยตั้งโรงทานอีก6แห่งเนี่ยนะก็คือบริหารโรงทานเก่านะั่นแหละให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอบริจาคทรัพย์วันละ6แสนในโรงทานะนะ โรงทานทั้ง4ีสี่แห่งคือในประตูเมืองสี่แห่งกลางเมืองและหน้าประตูวังเนี่ยก็ที่ละ 10,000 แพระโพธิสัตว์นั้นมีอัธยาศัยตรวจโรงทานเดือนละ6ครั้งเนี่ยนะเดือนละ6ครั้งไปตรวจดูโรงทานโดยการขี่ช้างปัจญานาคในระหว่างที่ครองครองเรือนอยู่อย่างนี้ก็มีลูกสองคนใช่ไหมลูกชายคนลูกคลอดลูกชายก่อน ก็เอาเนี่ยตะข่ายทองคำเนี่ยรับก็เลยเรียกชื่อว่าชาลีกุมารชาลีนี่แปลว่าขายตะข่ายรับนั่นเองเสร็จแล้วก็พอเด็กผู้พี่เดินได้ก็ได้น้องอีกคนหนึ่งที่ใช้หนังมีเนี่ยนะหนังมีสีดำเนี่ยรับก็เลยเรียกว่ากันหาชินาเนี่ยนะกันหาชินาก็ใช้หนังมีดำเนี่ยรับแต่นางไม่ได้ผิวดําอะไรเนี่ยนะก็เลยชื่อว่ากันหาชินาทีนี้วันหนึ่งเมืองกะลิงครัตเดือดร้อนฝนไม่ตก ก็เลยส่งให้พราหมณ์เนี่ยมาขอช้างพระองค์ก็เลยพระราชทานช้างไปใช่ไหมพอพระราชทานช้างนั้นช้างนี่พร้อมด้วยเครื่องประดับ24 000, ่สิบสแสนเนี่ยนะเครื่องประดับ24่ 0,000 แล้วก็สิ่งที่นับไม่ได้อีกมีอยู่เจอย่างเนี่ยนะก็ให้ทานพอให้ช้างปัจจญ น, นาเป็นทานนี่ก็แผ่นดินก็ไหวอีกอันนี้ถือเป็นการไหวครั้งที่ที่สองเนี่ยนะแผ่นดินไหวครั้งที่สองไอ้แผ่นดินไหวกับใจคนสะเทือนมันใกล้ๆกกันเนี่ยนะ แผ่นดินไว้ด้วยประชาชนเดือดร้อนด้วยประท้วงใหญ่เลยเพื่อไล่จากบ้านจากเมืองไม่น่าเลยให้ช้างช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นทานเนี่ยนะไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งประชาชนเดือดร้อนเพราะให้ช้างเป็นทานเนี่ยนะว่าโอ้โหนี่ถ้าปล่อยให้พระราชาพรวกนี้ครองบ้านครองเมืองต่อไปนี่บ้านเมืองล่มจมแน่นะให้ทานขนาดนี้ไม่มีเหลือแล้วงันก็เลยพร้อมใจกันให้ทานท่านก็บอกว่าอา้าที่เราถูกไล่นี้ก็เพราะการให้ทาน อยากกันนั้นเลยเราขอให้ทานก่อนจะก่อนจะก่อนจะออกจากเมืองนะขอให้ทานก่อนถูกไล่นะขอเวลาอีกสามวันท่านก็เลยให้สัตตะสัตตกะมหาทานเนี่ยนะสัตตะแปลว่าเจ็ดสัตตกะแปลว่าเจ็ดร้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้ทานเจ็ดอย่างนี้ทานเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ดร้อยเรียกว่าสัตตะสัตตกะมหาทาน ไทยๆเลยเรียกว่าสัตตสัตสดกกันนะก็คือสัตต์แปลว่า7จสัตตกะแปลว่าเจ็ดร้อนยะทานทั้ง7อย่างนั้นก็คืออะไรช้างม้าสตรีรถเนี่ยนะช้างม้ารถสตรีโคนมทาท่าท่ผู้ชายท่ า, ทาทผู้หญิงอย่างละเจ็อเนี่ยนะอะอันนี้เรียกว่าสิ่งที่มีค่ามีค่ามากๆนะส่วนอาหารพวกผ้าอะไรทั่วไปนี่ไม่นับเนี่ยนะ แล้วก็ให้ทานเป็นอย่างมากพอให้ทานเสร็จเขาก็ไล่ออกเมืองเนี่ยนะเช้าก็ก็ลาลาออกจากเมืองทีนี้พอเดินทางออกจากเมืองเนี่ยนะแม่นี่ก็รู้ว่าลูกเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยให้ทานก็เลยเอาเกวียนเนี่ยขนรัตนะเต็มลำเกวียนเนี่ยไปให้ลูกเนี่ยนะลูกระหว่างเดินทางไล่ออกจากเมืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอตอนที่ท่านไล่ออกจากเมืองเนี่ยท่านก็เลยให้ทานอีกบดครั้งเนี่ยนะ นะเดินไปเรียกนั่งขับรถไปให้ทานไปเนี่ยนะอีก18ครั้งเสร็จแล้วก็พอให้ทานเนี่ยหมดเนี่ยนะอของที่แม่ส่งไปให้เนี่ยนะเป็นลําเกวียนเนี่ยให้ทานไปหมดแล้วก็เลยอยากจะหันมาดูเมืองซะหน่อยเนีเยนะ่ยหันมาดูเมืองที่ที่จะต้องจากแล้วนะก็หันย้อนกลับมาดูเมืองครั้งนั้นแผ่นดินก็ไหวเป็นครั้งที่ที่สมเนี่ยนะว่าแผ่นดินไหวครั้งที่สามเนี่ยนะที่หันกลับมาดูเมือง นี้ก็นั่งรถไปใช่ไหมนั่งรถพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกสองเนี่ยนะก็เป็นสี่คนนั่งรถรถเขานี่ใช้ม้าสี่ตัวเนี่ยเทียมไปนี่ก็พระเวสสันดรระหว่างทางก็สั่งมาเหษสีว่าอา้าวเธอดูข้างหลังหน่อยนะถ้ามีใครมามาขอก็รีบบอกหน่อยเหมือนกนก็อา้าวพรามณนี่มาสี่คนจะมารับทานมาไม่ทันเพื่อนอา้าวมาก็อา้าจอดรถรอสัหน่อยเขามาถึงบอกมาขอม้าสี่ตัวเหมือนกนอ้าวให้ม้าไป ให้มาไปสีตัวทันทีเลยนะคล้ายๆกับถ้าเป็นรถสมัยนี้ก็แทบจะมาขอล้อนะก็ถอดล้อให้เอาไปอย่างนั้นนะท่านก็ท่านก็ให้ม้าไปทีนี้ถ้าตั้งคําถามว่าถ้าเป็นเราเราท่านๆเนี่ยนะจะให้อย่างนี้จะสมนัติไหมบอกว่าท่านมีความสุขในการให้อะ่ะ น, นนะบอกมีความสุขในการให้ก็บอกว่าท่านเนี่ยยินดีคนมาให้ทานเนี่ยนะท่านท่านอุปมาเหมือนกับพวกนักเลงสุราเนี่ยคอยกินเหล้าอ่างั้นนะ แมาถ้าบอกว่าได้เวลากินเหล้านี่มันดีใจมากเลยนะพวก <S <s <up an> พวกนักเลงสุราทั้งหลายนเนี่ยก็จะดีใจมากเพลิดมมากนะ <S <s <up an> ถา้าถ้าจะได้เวลาแล้วนะคอยค อ, ยคอยมือที่จะโกงเหล้าเงี่นะพระเวสสันดรนี้อัธยาศัยแบบเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมีแต่สมนัตอย่างเดียว <s up an> ดีใจอย่างเดียวอยโอ้ได้ให้อีกแล้วโอ้ได้ให้อีกแล้วดีใจมากเนี่ยนะก็คือคืออย่าว่าแบบคล้ายๆพระเวสสันดรเลยขนาดอย่างอคุณหมอวันลบอ่ะนะพูดถึงแกให้ทานอ่ะ แก็ก็มีอัธยาศัยเรียกว่าบริจาคเลือดเป็นทานคือคือยินดีในการบริจาคเลือดเป็นชีวิตจิตใจว่างั้นเถอะเขาบอกแม่จะให้เลือดนะโสมมันัดได้ยินว่าคนอื่นเขาบริจาคเลือดแก่ก็โสมมันัดกินข้าวทุกมื้อก็คิดเออเนี่จะได้มีเลือดจะได้ไปให้ทานว่างั้นนะพอพอขึ้นไปนอนบนเตียงบริจาคเลือดแก่ก็โสมมันัดอีกพยาบาลจะเจาะผิดสักกี่ที่ก็ชังมางเลยนะก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหมออะไรนะก็ให้ไป ก็คือมีความสุขกับการให้อย่างนั้นแล้วก็ปลืม้มนึกเมื่อไหร่ก็ปลืม้มพอได้ฟังข่าวว่าคนอื่นเขาบริจาคเลือดอาะก็อนุโมทนากับเขาไปอีกเนี่ยนะมันก็คือคืออัธยาสัยคล้ายๆแบบนั้นนะยินดีในการให้นะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านให้หมดเลยท่านยินดีในการให้ให้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนมีความสุขกับได้ให้เนี่ยนะหลังจากที่ให้ม้าเป็นทานก็เหลือแต่รถใช่ไหม เทวดาก็แปลงร่างเป็นละมั่งเป็นเนื้อเนี่ยนะละมั่งท้องมาเอาวบรรทุกไปพระมีคนหนึ่งมา่ายพักใหญ่บอกมาขอลดเชิญลูกเมียลงแล้วก็ให้รถเป็นทานนะนะก็เลยอุ้มลูกจูงหล้านกันไปเนี่ยนะก็เดินทางไปถึงเมืองเจตราชเนี่ยนะนะมาตุลนครเจตราชทีนี้พอไปอยู่เจตราชก็พยาเจตราชทั้งหลายก็ต้อนรับรับเสด็จเนี่ยนะก็นิมนให้พระค้างคืนหนึ่งแล้วก็ ไปส่งเนี่ยนะเดินทางไปครึ่งทางเพื่อจะไปส่งเขาวงกฎนะท่านก็ไปอยู่เขาวงกฎทีนี้นระหว่างการที่อยู่ในเขาวงกฎเนี่ยท่านนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากเนี่ยนะท้าวสักะกะก็ไปเนรมิตรบรรณาศาลาให้ในระหว่างที่อยู่เขาวงกฎนั้นท่านนี้อยู่ด้วยพรหมนิหารจริงๆคืออยู่ด้วยเมตานี่เป็นหลักเนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์ในรัศมี สามโยต์คือ48กิโลเมตรเนี่ยไม่มีใครกัดกันเลยไม่มีใครรังแกกันเลยด้วยอนุภาพของของเมตตาเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าผู้ที่ให้ทานมากๆจริงๆคือคนที่มีเมตตานนะถ้าไม่มีเมตตานะีให้ทานไม่ค่อยได้เพราะอะไรมันริษยาผู้รับเนี่ยนะมันมันโทสะกับผู้รับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีอัธยาศาัยให้ทานนะก็ก็เป็นผู้ที่มีเมตตามากเพราะฉะนั้นท่านก็มีความสุขกัการเจริญ เมตตาเขาก็เจริญเนี่ยเมตตาพันสัตว์ในบริเวณนี้ไม่มีเวรเสื่งกันและกันเลยนะก็เป็นผู้ที่หวังดีปรารถนาดีรักกันอย่างดีนะเนี่ยนะด้วยอนุภาพของเมตตาท่านนะท่านก็อยู่ด้วยเมตตานะคิดถึงสรัรพสัตว์ทั้งหลายก็ให้เขามีความสุขเนี่ยนะนะถ้าจะว่าทั่วๆไปนะเวลาเราให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะที่เราให้ข้าวเขาเป็นทานนะี่เราอยากให้เขาอิ่มใช่ไหมก็อยากให้เขาอิ่ม ทีนี้ถ้าหากว่าอาหารที่เราให้ไปเมื่อเขาอิ่มนะเราดีใจไหมก็ดีใจผู้ที่ให้ทานมากๆเนี่ยนะให้ทั้งข้าวทั้งน้ําทั้งผ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองสา ม, มารถจะให้ได้เพราะฉะนั้นคิดถึงใครก็ปรารถนาดีเสมอว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอให้สัตว์ทั้งหมดนี้มีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นแหมเมตานะ สัพเพสัตตาสุขิตาโหตุกขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเธออย่างนี้นะก็เจริญเมตตาได้อย่างสบายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยความสุขและความเจริญ <c oughs> ทีนี้ท่านอยู่วันเวลาก็ผ่านไปเจ็ดเดือนเนี่ยนะอยู่ในเขาวงกฏเนี่ยเจ็เดือนผ่านไปพอเจ็ดเดือนนี่ก็พูดถึงตาชุโชคอันนะตาชุโชกก็ แม่บ้านแนะนําให้ไปขอลูกจากพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะชูชกก็ไปเดินทางรอนแรมก็ไปเจอใครไปเจอนายพรานเจตบุตรเนี่ยนะนพรานเจตบุตนะรตตก็คือพรานที่พญาเจตราชแนะนําให้ดูแลป่าเนี่ยนะให้ดูแลการรักษาป่าเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าชูชกกันเนี่ยนะกันที่ชูชกนะถูกเมียขอให้ไปขอลูกพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะ ทีนี้ทำไมชูชกจึงรอนแรมเดินทางเข้าไปป่าเพื่อจะไปขอลูกอ่ะทำไมขยันขนาดนั้นบอกไม่ขยันอย่างนั้นได้ยังไงก็บอกถ้าไม่ไปงานนี้จะขอมีหม่แล้วว่างั้นนะ่นก็กิเลสมันกลุ่มรุมก็เลยต้องไปนั่นนะพอไปนี่ก็ไปหลอกนายพรานอีกว่าเป็นทูตเนี่ยนะไปหลอกนายพรานว่าเขานี่เป็นทูตนะเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยอยู่ทางโน้นนี่ไม่ค่อยสบายพ่อก็คิดถึง ชาวเมืองก็อดโทษให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็มาชูหลอกในพรานว่าจะมาเป็นทูตมาทูลให้พระเวสสันดรกลับเมืองนี่นะในพร า, านเจตบุตรมันก็ดีใจมากโอ้พระเวสสันดรเป็นที่รักของเราเนี่ยจะได้กลับไปอยู่เมืองสัทีจะได้สุขสบายอย่งนั้นก็เลยเชื้อเชิญให้ชูโชกเนี่ยไปอยู่ด้วยนี่นะไปไปค้างคืนด้วยคืนหนึ่งที่ ท, ที่ที่พั ก, ก น, นะ